สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงแจกสี่เสียงอธิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในหัวข้อชีวิตพระเยซูตอนที่สองร้เก้าสิบห้าเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูรครั้งที่เจ็ดสิบในเช้าวันนี้เราอยู่ในประโยคใหม่ของคําอธิษฐานก็คือขออย่านําข้าพระองค์เข้าไปในการทดลองพี่น้องครับคนที่จะอธิษฐานประโยคนี้ได้ก็คือคนที่ตระหนักถึงความอ่อนแออ่อนด้วย ของเนื้อหนังของตัวเองก็หนักถึงชีวิตของตัวเองที่ผ่านมาว่าผ่านการทดลองมาได้อย่างไรผ่านการล่อลวงมาได้อย่างไรในหัวข้อนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการล่อลวงแตกต่างจากการทดลองอย่างไรนะครับแต่ก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นนะครับคําอธิษฐานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อที่รับการปกป้องปกป้องจากพระเจ้าครับและเรียกว่าการปกป้อง ของคําอธิษฐานของเราพี่น้องครับเราได้เรียนรู้จากการอธิษฐานแล้วว่าผู้ที่เป็นพระอาจารย์สอนเราก็คือองค์พระเยสุคริสพระผู้เป็นเจ้าของเรานั้นพระองค์วางแบบอย่างนี้ให้กับเราคําถามของผมก็คือว่าการอธิษฐานของคุณและผมนั้นดีขึ้นหรือยังครับคาอธิษฐานของคุณและผมที่ฟังมาทั้งหมดเจ็ดสิบตอนไปแล้ว นะครับดีขึ้นไหมครับถูกปรับปรุงให้ดีขึ้นไหมครับถูกปรับปรุงให้เหมาะสมกับแบบอย่างที่ถูกต้องอย่างนี้หรือเปล่าครับถามว่าทําไมต้องปรับปรุงครับเพราะว่าคําอธิษฐานของพระเยซูให้เราอธิษฐานตามอย่างพระองค์นั้นเป็นคําอธิษฐานที่พระเยซูสอนสาวกทุกยุคทุกสมัยครับและเป็นโครงสร้างคําอธิษฐานทั้งปวงส่วนต่างๆของคำอธิษฐานทั้งหลายนี้ก็เข้าถึงความต้องการในทุกแง่มุมของเรา ความจําเป็นทุกอย่างของเราและที่สําคัญที่สุดก็คือเข้าถึงการสันเสริญถวายเกียรติแด่พระเจ้าซึ่งเป็นหัวใจสูงสุดของการอธิษฐานครับเพราะว่าคําอธิษฐานทุกวลีและผู้ทุกคําพู้นั้ น, ม, น, น, น, น, Center, ม, นมุ่งเน้นไปที่พระเจ้าเป็นหลักเป็นก็ศูนย์เตอร์ไม่ใช่เป็นไอศูนย์เอร์มุ่งเน้นไปที่พระเจ้าพระลักษณะของพระเจ้าบุคลิกภาพของพระองค์ และพระราชกิจอันมหัศจรรย์ของพระองค์คำอธิฐานอันนี้นะครับแสดงถึงความจําเป็นอย่างยิ่งของมนุษย์นั้นที่จะต้องพึ่งพาอาศัยพระเจ้าอย่างชิ้นเชิงครับพี่น้องครับเราไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาให้อินดีเพนเดนต์นะครับนะครับเราต้องดีเพนเดนต์หมายถึงเราต้องพึ่งพาอาศัยแต่เราไม่ได้พึ่งพาอาศัยสิ่งแวดล้อม เราไม่ได้พึ่งพาอาศัยคนอื่นเราไม่ได้พึ่งพาสิ่งที่อยู่รอบข้างเราแต่เราต้องเงยหน้าพึ่งพาพระเจ้าครับเพราะพระเจ้านั้นสร้างมนุษย์ให้ต่ํากว่าพระองค์แต่เพียงหน่อยเดียวมนุษย์สามารถควบคุมสิ่งแวดล้อมได้มนุษย์สามารถเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมได้มนุษย์สามารถที่จะ interdependence หมายถึงพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันได้ฉันพึ่งเราเราพึ่งฉันหรือฉันพึ่งคุณคุณพึ่งฉันพึ่งกันไปพึ่งกันมา นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เป็นอิสระต่อกันและกันนั่นคือ i n t e r d e p e n d e n c ครับ i n t e r d e p e n d e n c แต่สําหรับเรากับพระเจ้าแล้วเราจะต้อง dependent ร้อยเอร์เซ็นตเพราะฉะนั้นชีวิตมนุษย์นั้นเป็นสิ่งที่มีชีวิตที่พระเจ้าสร้างขึ้นมาเพื่อพึ่งพาอาศัยโรง่งรอยเปอร์เซ็นตหากปราศจากพระเจ้าแล้วเราไม่สามารถดาเนินชีวิตในฐานะลูกของพระเจ้าอยู่ในโลกนี้ได้และนี่คือสิ่งที่พี่เยซูกําลังบอกเราครับพี่น้องครับความจริงพื้นฐาน ของคำอนิฐา น, นี้เป็นความจริงที่เกี่ยวก้องกับพระเจ้าทุกคำพูดทุกคำทูลขอทุกประโยคได้ให้สัญญาบางปาการที่พระเจ้าทรงรับประกันไว้แล้วพระนามของพระเจ้าจะเป็นที่ศักดิ์สรทธิแผ่นดินของพระเจ้าจะมาตั้งอยู่น้ำมัไทยของพระองค์จะสำเร็จพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะทรงโปรดประทานอาหารประจาวันแก่เราทั้งหลาย พระองค์จะทรงโปรดยกบาปผิดทั้งสิ้นของเราและพระองค์ก็ทรงได้กระทาแล้วในพระเยซูคริสต์และพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แล้วว่าจะนำเราให้ห่างไกลจากความชั่วร้ายนั่นก็คือให้เราที่จะไม่เข้าไปในการทดลองนะครับเราจะมีชีวิตที่ดําเนินอยู่ในทางแห่งสัจธรรมทางแห่งความชอบธรรมหรือในมันคาของพระองค์ พูดง่ายว่าเราจะเดินอยู่ในมัตรที่ถูกต้องครับเมื่อเราเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้ามากยิ่งขึ้นเท่าไหร่คําอธิษฐานของเราก็จะมีความหมายมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเพื่อนครับโปรดฟังครั้งครับถ้าเรายิ่งเข้าใจความหมายตามพระสัญญาของพระเจ้ามากขึ้นเท่าไหร่คําอธิษฐานของเราก็จะมีความหมายต่อเรามากขึ้นเท่านั้นพระเยซูคริสต์นั้นทรงเป็นผู้จ่ายเบี้ยประกันครับกรมทรร์เป็นของเรา ผลประโยชน์ตกแก่เราและสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการเรียกร้องนะครับเรียกร้องขอพระเจ้าในส่วนที่พระเจ้าได้จัดเตรียมไว้สำหรับเรานะครับพูดง่ายๆก็คือว่าเรากำลังทูลขอนะครับสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียมไว้ให้กับเราสิ่งที่กำลังจะเป็นของเรานั้นนะครับทูลขอให้พระเจ้าประทานมาพี่น้องครับบางครั้งก็ตามเวลาที่เราต้องการบ้าง บางครั้งก็ช้ากว่าที่เราต้องการบ้างอาจจะไม่ถูกใจเรานะครับแต่ถูกพระไทยพระเจ้าแน่นอนอาจจะไม่ถูกเวลาที่เราต้องการไว้แต่ถูกเวลาของพระเจ้าแน่นอนพี่น้องครับผมอยากจะเน้นย้ำอีกครั้งนะครับถ้าเราเข้าใจพระสัญญาของพระเจ้ามากเท่าไหร่คำิธ า, านของเรานั้นก็จะมีความหมายมากขึ้นเท่านั้นถ้าเรารู้จักพระเจ้าของเราดีขึ้นเท่าไหร่ คำอธิษฐานของเราก็จะได้รับคําตอบมากขึ้นเท่านั้นถ้าเราเข้าสนิทอยู่ในพระเยซูมากยิ่งขึ้นเท่าไหร่คาอธิษฐานของเราก็จะได้การสดับฟังและได้รับคําคําตอบจากองค์มากยิ่งขึ้นเท่านั้นพี่น้องครับเนื้อาหาทั้งหมดของคําอธิษฐานนั้นมุ่งกล่าวถึงพระเจ้านะครับเป็น God Center ไม่ใช่เป็น I Center God Center นี้ยกตัวอย่างเช่นครับพระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลาย กล่าวถึงการที่พระเจ้าทรงเป็นพระบิดาขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะกล่าวถึงการจัดลําดับความสําคัญอันแรกของชีวิตของเราก็คือเราต้องนมสัส ก, การพระเจ้าขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ก็กล่าวถึงแผนการของพระองค์ขอให้เป็นไปนตามพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นไปนอย่างนั้นในแผ่นดินโลกก็กําลังกล่าวถึงพระประสงค์ของพระองค์ ขอทรงโปรดประทานอาหารบรรจวัณแก่ข้าพงศ์ทั้งหลายในการบันนี้ก็กล่าวถึงการโปรดปรานการทรงประทานของพระเจ้าขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพงศ์ก็กล่าวถึงการที่ข้าพงศ์นั้นเราจะต้องยกโทษคนอื่นก่อนกล่าวถึงการยกโทษของพระเจ้าและขออย่านําข้าพงศ์เข้ามาในการทดลองขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายก็กําลังกล่าวถึงการปกป้องรักษาจากพระเจ้าในตอนท้ายจบลงด้วยพลักษณะอันโดดเด่นของพระเจ้า ตามบทเพลงสรรเสริญพระเจ้าที่ปิดท้ายก็คือขอให้พระนามของพระองค์นั้นเป็นที่ยกย่องสูงสุดพระราชเกียรติและพระิริเป็นของพระองค์ทั้งสิ้นพี่น้องครับผมเคยได้กล่าวไปแล้วนะครับว่าคําอธิษฐานแบ่งเป็นสองช่วงใหญ่ๆนะครับช่วงแรกก็คือคําอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าและพระศรีของพระองค์และช่วงหลังเกี่ยวข้องกับมนุษย์และความต้องการของพวกเรา นะครับพี่น้องครับในวันนี้เรามาถึงตอนที่เป็นคำอธิษฐานที่เกี่ยวข้องกับการที่ว่าขออย่านำข้าพวงเข้าบริการทดลองแต่ให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายหลังจากที่เราบอกว่าขอประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพวงหลายในการเหมือนนี้และขอทรงโปรดยกบาปผิดของเราพี่น้องครับการขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายการขอให้พระเจ้าอย่านาเข้าบริการทดลองนั้น นะครับมีความหมายชัดเจนเรียบง่ายครับมีความหมายเหมือนกับว่าพระเจ้าข้าขอให้ชีวิตของข้าพระองค์นั้นห่างไกลาจากปัญหาทั้งหลายทั้งปวงใช่ไหมครับถ้าดูผิวเผินนั้นเรากําลังอธิษฐานอย่างนี้เพราะอะไรครับเพราะว่าการทดลองนั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ครับเหมือนกับเราเราเรียนหนังสือเราก็ไม่อยากมีการสอบแต่ไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเรามองให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น คำถามมากมายก็จะผุดขึ้นมาครับเราจําเป็นต้องอธิษฐานประโยคนี้ความหมายนี้นะครับเพื่อที่จะทูลขอพระเจ้ามิให้ทรงนําเราเข้าไปในการทดลองพี่น้องครับพระเจ้าของเรานั้นก็บริสุทธิ์ชอบธรรมไม่มีตําหนิครับพระเจ้าจะนําเข้าไปในการทดลองได้หรือนําลูกของพระองค์เข้าไปในการทดลองได้หรือและถ้าเราไม่ได้ทูลขอให้พระองค์ทรงนําเราให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย พระองค์จะทรงนำเราเข้าไปใน่งช่วยได้ได้หรือคนที่เป็นพ่อเป็นพระบิดาบนสวรรค์จะหวังร้ายกับลูกของพระองค์หรือพี่น้องครับคาว่าการทดลองนั้นถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องนั้นมีความหมายเป็นกลางครับในด้านหนึ่งมันอาจจะหมายถึงการเชิญเชิญชวนชักชวนให้ทำความชั่วร้ายเรื่องนี้นะครับกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนพี่น้องครับในพระธรรมยากอบบอกชัดเจนครับ ยากอบทที่หนึ่งข้อที่สิบสามบอกว่าเมื่อผู้ใดถูกล่อให้หลงย้านผู้นั้นพูดว่าพระเจ้าทรงล่อข้าพเจ้าให้หลงเพราะว่าความชั่วจะมันล่อพระเจ้าให้หลงไม่ได้และพระองค์เองก็ไม่ทรงล่อผู้ใดให้หลงเลยพี่น้องครับในเช้าวันนี้ผมจะจบลงด้วยความจริงที่ว่าพระเจ้านั้นไม่ได้ล่อให้เราหลงไปครับพระเจ้าไม่นําเราให้เข้าไปสู่การทดลองนะครับ อย่าลืมว่าการทดลองนั้นมีความหมายเป็นกลางครับในด้านหนึ่งมันเกี่ยวข้องกับการชักชวนให้ทําความชั่วลายนะครับซึ่งในโกรณีนี้พระเจ้าไม่มีส่วนอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นอย่าไปกล่าวหาพระเจ้านะครับอย่าไปปรักปราพระเจ้าว่าพระเจ้าพระองค์กาลังกำลังนําเราเข้าไปอยู่ในการทดลองพี่น้องที่เคยปรักปราพระเจ้านั้นขอให้เราได้สารภาพบาปครับพระเจ้าไม่มีวันที่จะนําเราเข้าไปในการทดลองเลยอาเมน